อุ้นแหนจะต้องตอบยังจำให้ใจราดชั่วทำดีทําใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวัยอำมาฟังเรื่องราวเคสัดดีกันเลยลูกเป็นนักเรียงอนุบาล ฝันในฝันประเภทจานดาวเทียมอืมทานสมัยจริงๆเลย <c oughs> นี่ขยายไปเกือบได้ล้านเครื่องแล้ว <c oughs> ขาดอีกมีกี่แสนเครื่องกันนั่นแลย <c oughs> ขววัดเมื่อเดือนกันยายนสองห้าสี่ห้าแต่พ่อบ้านข่าวัดเพราะกลัว ตัวเขาจะบาป <Okay. S 1> แล้ว เ, าาเพราะว่าพบานที่เข้ามาวัดเพราะว่าพอบางกลัวว่าตัวเองน่ที่ผ่านมาน่ <Yeah. S 1> คิดไม่ค่อยดี oh. กบบารวัดจะบาป <Right. S 1> เลยเข้าวัด <Right. S 1> พราะเขาแอนตี้วัดสุดๆ oh. วันที่มาวัดลูกจ้งเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนที่วัด <Right. S 1> ใดหนัดให้เพื่อนมารับหน้าสมาคมชาวใต้วันนั้นฝนตกอย่างแรง เราต้องฝ่าฝนมาคอยที่จุดนัดพบแล้วก็ได้เข้าวัดสมใจได้ถวายเงินกระถินปีสี่ห้ากับมือหลวงพ่อรู้สึกดีใจปราบรื้มมากน้วกาทำไมนาะเราจึงไม่เข้าวัดตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วที่เพื่อนมาชวนและตั้งใจต่อจากนี้ไปเราจะไม่ยอเสียเวลาอีกแล้ว ลูกก็เข้าวัดทุกวันอาทิตย์และทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยหลังจากลูกเข้าวัดได้เกือบเดือนลูกสาวคนโตก็ฝันว่าได้เดินไปตามถนนพบพ่อนั่งร้องไห้อยู่กลางถนนเหมือนคนเสียสติจึงเข้าไปพาพ่อกลับบ้านพ่อไม่ยอมกลับ ยังคงร้องไห้เสียงดังทันใดนั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาบอกว่าโยมผู้ชายต้องตายและจะตั้งไปเป็นเปรตขอส่วนบุญอยู่ที่ข้างถนนนี้แหละแต่ไม่เป็นไรยังพอมีทางแก้ไขและท่านก็เดินจากไปยังไม่ทันได้ถามว่าอยู่วัดไหนอุษาบอกว่า ท่านเป็นพระที่ส ง, ง่างามมากอูญาไพเราะน้าฟังงามเหมือนรูปปั้นทองคำสว่างไปหมดเลยมีฝัน น, นะจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปพ่อบ้านไปทอดกระถิ่ที่ต่างจังหวัดลื่นหกล้มหัวกระแทกพื้นต้องส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิลิราอาการหนักมากพูดไม่ได้เดินก็ไม่ได้ ลูกตกใจมากนึกถึงความฝันของลูกสาวจึงตั้งใจจะสร้างพระธรรมกายให้ผู้สายงานแนะนำไปทำกระถิ่นนะด้วยเพราะช่วยได้ทุกเรื่องแรงกถินนี่แรงลูกจึงบอกพ่อบ้านเดินทำกระถินปีสี่ห้าแต่ไม่ได้บอกว่าวัดไหนให้เขาอธิษฐานจิตขอให้หายป่วยต่าหายแล้วจะไปทำบุญที่วัดเขาก็ร่วมทำบุญมาด้วย ลูกงงทำงานนี้ไปทอกระถิ่นวันที่สามพฤศจิกายน4ี่ห้าพอวันลุ่งขึ้นลูกได้ไปเยี่ยมพ่อบ้านที่โรงพยบาบาลปรากฏว่าเขาลุกขึ้นเดินได้และพูดได้ oh. เขอกลับบ้านบอกว่าหายแล้ว oh. ลูกไม่ยอมเล่าเขากลับ oh. เขาบอกว่างั้นเขาจะนั่งแท็กซี่กลับเอง oh. ลูกยังไม่บอกหมอ oh. หมอบอกว่าคนไข้ยังไม่หายยังลุกขึ้นเองไม่ได้พูดไม่ได้ ลูกบอกว่าเขาหายแล้วหมอจึงมาตีห้องแล้วจึงให้เดินให้พูดให้หมอดูเขาทำได้เป็นปกติหมอชมว่าลุงนี่เก่งจริงๆเมื่อสองวันก่อนยังเดินไม่ได้อยู่เลยจึงอนุญาตให้กลับบ้านลูกรู้สึกดีใจตต่นเต้นอัศจรรย์ใจมากก็ทีมช่วยได้จริงจริง พอถึงบ้าลูกสาวคนโตบอกพ่อว่ารู้แล้วละ่ะว่าพระที่เห็นได้ความฝันนั้นคือใคร<อ>ลูกสาวเห็นในหนังสือชีวิตลิกิตได้<อ>ที่ลูกได้รับจากวัดเมืองวันกระถิ่นลูกสาวให้พ่อไปวัดและไปกราบหลวงพ่ อ, อวันอาทิตย์ที่สิพยยศสี่หพอบานถึงได้ไปวัดเป็นครั้งแรกสิพยยศสี่ห้านพอนั่งสมาธิไปได้สักคู่ก็ร้องไห้เสอึกเสืออื่นขึ้นมาอบอกว่าเห็นหลวงปู่และคุณยายเดินเข้ามาหาในสมาธิ แล้วยิ้มให้ oh. พะบ้านบอกว่าเราไม่น่าจะไปหลงเชื่อข่าวในหนังสือพิมพ์ oh. อ่านตามที่เขาเขียนนะ oh. ที่โจมที่ใส่ร้ายท่านทำให้เข้าใจผิดว่าวัดไม่ดีห oh. ลวงพ่อไม่ดีเสียเวลาไปตั้งหลายปี oh. หลังจากนั้นก็มาวัดทุกวันอาทิตย์ได้คืนพนาวัด oh. และทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลย oh. เป็นประทานกระถินปีสี่ห oh. สังฆทานามพันวัด บุญหล่อทองคำหลวงปู ส, <า>สร้างพระธรรมกายของพระสังฆาธิการาบุญตอกเสาเข็มต้นแรก<า>ต้นสุดท้ายหอฉันคุณยายพ่อบ้านรักหลวงปูและคุณยายมากพูดถึงทไรก็ร้องไห้ทุกทีชื่นชมหลวงพ่อสอนดีมาก <Hey. S 1> นี่เขายังชมมาอีกนะ <c oughs> ไม่อานดก ว, ว่า <c oughs> พ่อบ้านป่วยมากอีกครั้งหนึ่งช็อกจนหมดสติ วันเช้าที่ที่20กค46ขณะเตรียมตัวมาวัดได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจนถึง23สิงหาคม46ก็เสียชีวิตในเวลา 13.00 นโดยหัวใจวายเฉียบพลันไตวา ย, วายติดเชื้อในปอดอย่างแรง23สิงหาที่ผ่านมาสิงหากัาาากฎาคมก็3เดือนเสร็จเสร็จรที่ถามคำถามมั น, นมันมีอยู่ข้อหนึงนะจ มันเหมือนนิยายประลัม b รานะถ้าเราจะฟังเป็นนิยายก็ได้รหรือเป็นเรื่องจริงอิงนิยายก็ได้นะจ๊ะเพราะราว่าชีวิตในสังสารวัฏนี่มันเป็นเรื่องที่ปแปลกๆดีเหมือนกันแหละที่คนเราเวียนว่ายตายเกิด จากนั่นเป็นนี่จากนี่เป็นนู่นเป็นอะไรกันไปสารพัดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยาเป็นนู่นเป็นนี่กันแล้วต่างคนต่างก็มามาคนละที่คนละทางแล้วมารวมมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันพอตายก็ต่างคนต่างไปกันคนละทิศคนละทางเจอกันก็มีไม่เจอก็มีมาเกิดใหม่เจอกันก็มีไม่เจอกก็มีวนเวียนกันไปอย่างนี้ที่ คำสอนที่มีอยู่ในโลกนี้มีสองประเภทคือเชื่อเรื่องเวียนไหวแต่เกิดกับไม่เชื่อเรื่องเวียนไหวแต่เกิดเชื่อเรื่องเวียนไหวแต่เกิดก็จะมีศาสนาพูดกับศาสนาพราหมณ์นอกนั้นดูเหมือนไม่เชื่อเรื่องเวียนไหวแต่เกิดคล้ายกับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วไปสวรรค์เลยขอให้มีจิตเลื่อมใสเท่านั้นแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ท่านไปรู้ไปเห็นด้ยยาลทัศนะด้ธรรมจากขู่นั่นเห็นการเรียนไ่าแต่เกิดสัตว์โลกลวมทั้งตัวท่านเองเนท่านยังมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเรียนไหวแต่เกิดของศาสนาพราหมณ์นั่นพวกฤาษีโ ย, ยคีก็ได้อารมณ์ชาตสมาบัติอรมณปป์ชาตสมาบัติเขาเลลึกชาติได้เขาก็เชื่อเรื่องเรียนไหวแต่เกิดแต่ในระดับหนึ่งเท่าที่กําลังแห่งบุญกําลังแห่งชาญของเขาจะทําให้ความสว่างเขาไปถึงไหนเขาเห็นถึงนั้น เห<ท>็นหนึ่งไหนก็รู้ถึงนั่นเหมือนเราเอาไฟฉายส่องไปถึงไหนเนี่ยสปอตไลท์ส่องซื้อเทียมมาเล่มส่องความสว่างไปถึงไหนก็เห็นแคนั้น <Okay. S 1> ความสว่างแค่ห้องแล้วก็เห็นแค่ห้องไฟฉายเอานอกห้องก็นอกห้องสปอตไลท์แรงหน่อยก็ไกลเองหน่อย น, น right. ถ้าดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ <Okay. S 1> กว้างกไกลกาปีคล้ายๆอย่างเนี้ย <Right. S 1> <nn? S 2> จ้ะ อันนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเป็ยนว่าแต่เกิดเพราะนั้นมันจะมีอยู่ข้อหนึงข้อสุดท้ายก็ฟังเพราะว่ารายการอนุบาลฝันในวฝันต้องการเล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะเพื่อให้ใจสบายพอใจสบายเนี่ยการนั่งปฏิบัติธรรมก็จะดีเราจะเน้นหนึ่งนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องตกลงกันตรงนี้เสก่อนพ่อบ้านตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนคะ แล้วเขาต้องการให้ลูกทำอะไรให้เขาบ้างมีบุญอะไรคะที่จะช่วยเขาได้ไปดูดสิทธิบุรีวงบุญพิเศษเขามีวิบากกรรมอะไรจรึงถูกยิงด้วยเอ็มสกที่หน้าแข้งขวา<อ>ขณะไปล้อมจับผู้ร้ายจนมีเหตุให้ต้องผ่าตัดถึงห้าครั้งท่านเป็นนายตำรวจนะ<อ>ผู้ใหญ่รักษาตัวนานถึงแดเดืนอนวิบากกรรมอะไรที่ต้องมีอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายครั้งและประสบเหตุในการโดดล่มจนข้อข่าขวาแตก การเสียชีวิตถูกเจาะคอและผ่าตัดหน้าท้องเพื่อล้างไต<อ>บุญที่ลูกและครอบครัวทำให้ทุกบุญพ่อบ้านได้รับหรือเปล่าคะโดยเฉพาะบุญที่ถวายบ้านและสวนผลไม้อีกสี่ไร่เศษที่บ้านแพ้สมุทรสาครเพราะเขานอนป่วยไม่รู้สึกตัวและพวกเราก็ได้ทําการเทเล่าทุกขวดเ<อ>ขาได้รับบุญหรือไหมคะพ่อบ้านไม่ดื่มมา20ปีแล้วเล่าพวกนี้มีคนนํามาให้<อ>ลูกสาวคนโตชอบฝันถึงอดีตชาติบ่อยมาก ฝันตั้งแต่โตเป็นสาวอายุยี่สิบปีจนถึงบัดนี้อายุสามสาปีก็ยังฝันฝันเรื่องเดียวอ่ะก็แปลกนะฝันถึงเจ้าเชษฐาที่ราชอยู่เมืองลาวล ว, ว่าไม่ให้แต่งงานและจะมารับกลับไปอยู่ด้วยลูกสามีแฟนคนแรกก็ต้องเลิกกันไปพอแต่งกัน กับแฟนคนนี้จากผู้หญิงสวยๆก็อวนเอาอวดเอาอวดเอามยก็เล่นใส่ก็ไปเรื่อยๆจุเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นก็อวนเอ็กซเซอร์ไซส์น้อยเนะ่แต่ก็ยังสวยอยู่นี่สวยแบบอนะไรดวงบุญขยายโอ้โดวงบุญอะไรเนะี่ย บุญมากแทบปลีเรยทำบุญสงให้เจ้าเชิตลอดเนี่ยเดี๋ยวก็ดึกอีกแล้วเนี่ยแต่ก็ยังฝันมันแต่ก็ยังฝันคือยังฝันเห็นเจ้าเชิอย่างเงี้ยต่อเนื่องมาสิบสาปี<อ>ตั้งแต่ยี่สิบถึงสามสบสามวันหนึ่งพบพระที่ทางภาคอีสานไม่ได้รู้จักกันนั่งรออยู่ บ, บอกว่าเจ้าเชถิถามาบอกให้ อาตมาเนี่ยนั่งรอ oh. แล้วพระก็เราเรื่องของเจ้าเทียถาให้ฟังเธอมีความผูกพันหรือมีวิบากกรรมอะไรกับผู้ชายในฝันคนนั้นคะ oh. แล้วจะแก้ไขยอย่างไรคะ oh. นี่ไอ้ตรงนี้สิ oh. มันจะยาว oh. มันจะยาว oh. ดิดดจะลืมนะนิยายปรำประรานะ นี่ก็หลับตาฝันไปเป็นตูเ ป, นตเป็นตาอมตะเล่าสู่กันฟังถ้ามีคติบ้างก็ติดขาติดแข่งไม่ต้องไปใส่บาบะขามให้นักวิบากกรรมที่ต้องมาเจออุบัติเหตุหลายครั้งทางรถยนต์แล้วประสบอุบัติเหตุจา ก, การโดดล่มจนข้อเข่าขวาแตกและก่อนเสียชีวิตถูกเจาะคอพาตัดหน้าท้องเพื่อล้างไต แะเคยถูกยิงจากผู้ร้ายด้วยเอ็มสิบกที่หน้าแข้งขวาจนต้องผ่าตัดรักษาถึงห้าครั้งเลราะพ่อบานเคยเป็นทหารองค์รักมาหลายชาติเป็นทหารรักษาพระองค์องค์รักจึงต้องทำปานาธิบาตฆ่าฆ่าเสกตายมา หรือบ่อยครั้งก็ทำร้ายข้าศึกแต่ว่าไม่ถึงตายจึงทำให้อายุสั้นเพราะปัญติบาตและประสบบัติเหตุบ่อยๆส่วนกรรมที่ผ่าตัดหน้าท้องเพื่อล้างไตเป็นกรรมในอดีตเกี่ยวกับการรับของใต้โต๊ะ ในรูปแบบต่างๆเป็นต้นใีเรื่องอดีตนะนีใน่ใครส่งของใจโ ต, ตก็รับใจโตในอดีตส่วนหัวใจวาเฉียบพลันเป็นเศษกรรมเจ้าชู<อ>้ทำให้ผู้หญิงสะเทือนใจบ่อ ย, อยๆสะเทือนอารมณ์เรื่อยๆ หวานสเสน่ห์เขาเรื่อยๆมีสุดที่รักหลายคนแต่ว่ามีรักที่สุดอยู่คนหนึ่ง อ, อยู่ที่บ้านนั่นแหละก่อนตายภาพเป็นการการะทําระหว่างความดีกับความชั่วตั้งแต่หนุ่มๆสลับกันมาฉายหเห็นเป็นกรรมนิมิตเห็นไหมนี่นี่ น, นี่มันเป็นอย่างนี้เราเก็บทุกสิ่งที่เราเห็นด้วยภาพความคิดคําพูดการการะท้วยภาพเวลามันฉายเห็นก็ออกมาเป็นภาพ เขาเรียกว่ากรรมนิมิตจากกรรมนิมิตมันก็ไปสู่กตินิมิตและก็แปลไปทุกติสุกติความดีวความชั่วกันหนล้มสลับกันแต่ตอนช่วงท้ายเป็นภาพบุญที่ตัวได้กระทำที่ลองไห้เห็นลงปู่คุณยายมาแล้วกระทำบุญ ท, ทีตอนช่วงท้ายชีวิตทำให้บุญได้ช่องส่งผลก่อน จิงตาแบบหลับแล้วตื่นขึ้นที่ดาวดึงเป็นเทพระบุตรสุดหลอมีวิมานทองเฟสสามสาธุกำลังบุญมาได้แค่นี้ยังไม่อาจไปดูสิทธิบริวงบุญพิเศษได้จ้าเห็นมประการไปวงบุญพิเศษไม่ใช่ง่ายจะต้องลุยกันสบันฮัลแล ก, กันไปเลยนะในรบับบุญทุกบุญทุกทิศไปให้ก็ยิ่งทำให้มีรัศมีกายและทิพยสมบัติดียิ่งขึ้นจ้ ขณะนี้กำลังชื่นชมที่พยาสมบัติและเรียนรู้ชีวิตในสังคมใหม่สังคมดาวดึง เ, เขาทำกันยังไงและบุญที่ถวายที่ดินและบ้านในขณะที่ไม่รู้สึกตัวนั้นก็ได้รับบุญแต่หย่อนไปหน่อยนึงเพราะไม่ได้รับรู้ด้วยกายยาเต็มที่เดี๋ยวที่นี้มาถึงเอเรืองลูกสาวนี่สิรเราฟังเปน็นนิทานกันแล้วกันนะ แล้วก็ยังมาต่อว่าครูไม่ใหญ่ละวว่าเอานิทานปรำประราอะไรมารเพราะว่าเมื่อเขาฝันมาแล้วก็ฝันไปเรื่องของลูกสาวคนโตที่ฝันมาระทอนตั้งแต่ยังสาวอายุยี่สิบปีถึงสาสบสามปีถึงเจ้าเช่ถามว่าไปให้แต่งงานแลวจะรับไปอยู่ด้วยฝันอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพบพระ พระอาจารย์ทางอีสานท่านหนึ่งนั่งรออยู่ทั้งๆทีไ่ไม่ได้รู้จักกัน บ, บอกว่าเจ้าเชษฐาให้มารอและพระอาจารย์ท่านนั้นก็เล่าเรื่องราของเจ้าเชษฐาให้ฟังรเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกควนกับการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตในวัฏฏะสงสา ร, รเรื่องก็มีอยู่ว่าเธอ เคยเป็นสนมเอกคนโปรโดปรานของเจ้าเชษฐามาก oh. แสดงว่ามีหลายคน s right. <S แต่ว่าเธอท่านคนนี้เป็นคนโป ร, โ ด, ปรโดปรานดาวอนุ้นนะ s right. <S อย่าลืมว่าฝันมาก็ฝันไปนะ s right. <S เจ้าเชษฐาเคยพาไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่ง s right. <S และก็ได้ ตั้งสัตยาธิษฐานปฏิญาณร่วมกันว่าจะครองรักกันไปตลอดภายหลังจากตายแล้วก็ได้ไปอยู่ด้วยกันในภพภูมิของภูมิมะเทวา อ, อย่าลืมว่าผู้ปกครองนี้จะต้องทำหลายอย่างบุญกระทากรรมกระส ร, รหลายหลายๆอย่างทีเดียว เจ้าเชดมีสนมเยอะทั้งตอนเป็นมนุษย์แล้วตอนเป็นเทวดา oh. แฟนเยอะทีเดียว oh. แล้วเธอก็ไปเป็นแฟนคนหนึ่ง oh. นี่มันเรื่องมันมันชักเริ่มจะเป็นนิยายกันไปเรื่อยๆแล้วนะ oh. ฟังไปเรื่อยๆ oh. ถึงไหนแล้วบ่ ขนานี้เจ้าเท่ะเป็นหัวหน้าเขตเขตหนึ่งเขตการปกครองรของกายละเอียดเนอะปุมะเทวาซึ่งมันกว้างมากเพราะกำลังบุญไปได้แค่นั้นทีนี้หัวหน้าเขตท่านนี้เนี่ยเรามาพูดถึงว่าเป็นหัวหน้าเขตกันแล้ว ก, กันเพราะตอนนี้เป็นหัวหน้าเขตก็ต้องพูดมันคนละภพภูมิกันแล้วเพราะตอนนี้ ท่านเป็นภูมิมเทวาที่มีศักดิ์ใหญ่เราจงมาพูดถึงในภูมินี้กันเมื่อกี้ในภูมิมนุษย์แต่ในในภูมิภูมิมมะเะคนลเขตเขตหนึ่งที่มีแฟนเยอะมีสุดที่รักเยอะแล้วถึงอย่างไรก็รักที่สุดคือเธอนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมภูมิของภูมิมะเทวากับมนุษย์นี่มันใกล้กันนะมีครอบครัวเหมือนกัน มีลูกมีเต้ามีครอบครัวกันแล้วก็บริโภคแบบมนุษย์บริโภคนั่นแหละ<อ>เธอก็เกิดงอนหัวหน้าเขตขึ้นมา<อ>ไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ด้วยแล้ว<อ>แฟนเยอะเหลือเกิน<อ>ทั้งเป็นมนุษย์และแถมมาเป็นภูมทิทววาเอาอยังเยอะอีกเพราะก็มีกำลังบุญอยู่ด้วย ทีนี้ต่อมาก็ได้เห็นบิดาในชาตินั้นตอนเป็นมนุษย์นี่มันซับซ้อนเนี่นจะตามทันเรนืองรึเปล่ท า, าที่กระต่ายมาก่อนล่วงหน้ า, า, าบิดาในชาตินั้นเคยเป็นทหารองครักษังเจ้าเชษ ก็เป็นกายสัมภเวสีอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าอีตอนตายใหม่ๆนั่นแหละไปยมโลกโบิดาในชาตินั้นนะไปยมโลกพอตายไปตอนเป็นทหารอง ค, ครักษ์นตายไปเจ้าที่ก็ก็พาไปยมโลกไปพิจารณาบุญบาป บาปก็คือฆ่าฆ่าศึจทำรา้ายฆ่าศึกและรับไต่โต๊ะบุนก็คือการบวชและวบำรุงมาพุทธศาสนาออจึงคุ้มนรกได้ไม่ถูกส่งไปมหานรกรแล้วก็พ่อก็เคยบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ทำบุญทำบุงกับพุทธศาสนาก็เลยถูกส่งกลับมาเป็นกายสัมภเวสีออรอการเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยาวนานดีเดียว ซึ่งตัวเธอเองรู้เรื่องนี้จากหัวหน้าเขตคือหัวหน้าเขตเล่าเรื่องแล้วนั่นัน่นน่นองเธอขึ้นมาแล้วนั่นจำได้จำได้นี่เป็นการสำเว็จถีอยู่นานรอกการเกิดเป็นมนุษย์พ่อเนะนานนะคือเทบเวลาเป็นเมืองมนุษย์เนี่ยนานทีเดียวแต่เทบเวลาของตรงนั้นมันไม่นาน และพ่อเนี่ยก็มาเกิดในเมืองไทยในชาตินี้ในชาตินีตามทันไหมครับแต่นานนะนี่ตัดตอนตัดตอนเรื่องเวลาตามตรงนี้แต่ไม่ใช่คือมาปุ๊บแล้วมาเกิดเลยไม่ใช่นะคือเราคงจำภาพของยมโลกได้ทุกขั้นตอนพอจำได้ไปจ้ะว่ามันจะผ่านประตูผ่านลานเข้าห้องพิพากษา รอการพิพากษาแล้วก็พิจารณาพิจารณาเสร็จพิพากษาก็พามาอรอเราจะส่งไปไหนนี่รอาการเกิดเราเป็นมนุษย์ก็ถูกส่งมามนุษย์แวบหนึ่งมาแล้วก็รอจังหวะเวลาที่จะเกิดในระหว่าง น, นั้นคือกายสัมบเวสีที่รอการเกิดแล้วเธอก็มาเกิดเป็นเมืองไทยพ่อพ่อก็จังหวะที่ช่วงระยะช่วงนั้นเมื่อรู้เรื่องราวจากหัวหน้าเกศแล้วนี่ กับลูกพ่อระเกิดเป็นมนุษย์จังหวะที่งอนสุดขีด oh. ฟึดขึ้นมาเลย oh. พ่าโอโห oh. สุดๆจริงๆเลย <Okay. S 1> ตามมาก็เลยตามมาเกิดกับพ่อคนเนี้ oh. ในเมืองไทยนี่แหละ oh. เจ้าเชิดก็ยังรักอยู่อ่ะ oh. ก็ติดตามมาตลอดเลย oh. ทีนี้มันคนเราพบกันแล้ว <Okay. S 1> หัวหน้าเขตนั้นเอาหัวหน้าเขตนั้นตาม มันคนละภูมกิกันแหละไปเดิมมนุษย์เดียกันมาอยู่ภูมทิทวารเดยกันตอนนี้ฝ่ายหญิงมาเป็นมนุษย์แต่ฝ่ายชายยังเป็นหั่นน่าเขตเป็นภูมะิะตามทันไปจ้ะทันนะคือยังรักอยู่ยังหวงอยู่แต่ว่ามันกั้นพบเนี่ยมันกั้น อ, อยู่ไอหยาบละเอียดเพราะฉนั้นจึ ง, จงมเีเชื้อเชื่อมสายสัมพันธ์ก็ฝันเธอก็เลยเข้าฝัน อย่างนั้นอย่างนี้ยังรักอยู่แล้วจะอย่างนั้นอย่างงี้ยังโง่อะไรต่างๆ่าต้องไปอยู่ด้วยกันต่างอะไรต่างๆสารพัดที่จะลำพึงลำพันธ์แต่ว่าเจ้าเชื่อนั่นไม่ได้ไปทําอะไรใครนะเพราะว่าเธอก็ทําบุญส่งให้เจ้าเชื่อตามที่เธอฝันเราก็ตอนแรกอะสงสัยลังเลแล้วก็ปักใจเอ้ยมันใช่มั้งอะไรสงสัยเอ้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเชื่อมันก็เชื่อมาก ห น, หนักหนาเข้าเชื่อมัน่นไรเี้ก็ทําบุญส่งไปให้ส่งไปให้เรื่อยๆแต่เธอก็ตามมาอยู่เรื่อยๆเลยตามติดมาเรื่อยๆพอเตอแต่งงานกับแฟนก็นเลิกกันแล้วมาอยู่กับแฟนคนใหม่ก็เนื่องจากว่าทําบุญร่วมกันมาอาการที่อยู่กันได้นานแล้วไม่นานมันขึ้นอยู่กับบุญที่ทําร่วมกันพอหมดกระแสพอความรักมันก็จะจางมันจะหายไป มันจะแจ้งก็แล้วแต่ว่าได้สร้างใครไหนไม่จากเป็นก็จากตายกไม่ว่าจะอยู่ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนที่จะได้อยู่ร่วมกันมากหรือไม่มากมันขึ้นอยู่กับตรงนี้มีบุญร่วมกันหรือเปล่าที่ปรัเพ้นสันนิวาสกันรหรือปัจจุบันเกือ้อกูลกันอะไรต่างถ้าปัจจุบันไม่เกื้อกูลกันก็อยู่ได้กันไม่นานเดือนมิถุนายนคือไม่เอาใจเขาใส่ใจเราจะเอาใจใจแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจตัวไม่ทําให้มันใส ส่วนการเปิดกระสอกระแสดก็เป็นเรื่องวิบากกรรมส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเจ้าเชษฐ์แล้วเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครเป็นแตเพียงยังรักและผูกพันอยู่ ร, รักและผูกพันนี่มันรักข้ามชาติถึงแม้เธอจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น <c oughs> ก็ยังรักอยู่เที <c oughs> น, นี้เพิ่มขึ้ น, นกายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอเนี่รเรื่องเป็นอย่างเนี้ย ชีวิตในสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้นะลูกนะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเป็นนนทนเป็นนี่ให้ลูกตั้งใจทําหน้าที่ในตอนเนี้ยที่ตัวกําลังเป็นอะไรอยู่ให้ดีที่สุดดีกว่าเพราะไอ้นั่นเป็นเรื่องของละเอียดกันแหละไอ้หยาบมันตัดตอนกันตอนนี้ห ย, ยาบหยาบเนี่ยเราทําหน้าที่ของสีภรยาของแม่บ้านหรือหน้าที่ของนักสร้างบารมีอะไรให้มันดีที่สุด แล้วทำบุญให้มากๆมุ่งไปเกิดดุสิตบุรีวงบุญวิเศษกันดีกว่าครับฟก พ, พุมอื่นที่ไปเกิดเลยครับนั่งให้ดีปฏิบัติธรรมาให้ดีท่ายถารักษาศีลเจริญภาวนาและอธิษฐานจิตทุกๆบุญวะไปเกิดวงบุญวิเศษดุสิตบุรีอย่างนี้นะลูกนะนี่ก็เป็นเรื่องเคสตัดดีย่อยเห็นไหมมันเหมือน แต่เพราะว่าไอ้เราเนี่ยมันเวียนว่ายแต่เคยกเข้านนับพบแับชาติไปส่วนี่แค่ 2-3 ชาตินิดเดียวนั่นเองยังมีไอเรื่องที่มันยาวๆอันนี้ oh. อีกเยอะแยะ